น้องเต็นตะลิงเราทั้งลายชายหญิงสั่งกกันจริงวันลอยกระทงกูรอเวลานี้มานานแล้ววันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันที่15ค่ําเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยส่วนปฏิทินจันทรคติล้านนามักจะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนและปฏิทินสุริยคติบางปีเทศกาลลอยกระทงก็จะมาตรงกับเดือนตุลาคมด้วยเช่นเมื่อปีพศ2544วันลอยกระทงปีนั้นตรงกับวันที่31ตุลาคมและจะมาตรงกันอีกครั้งในปีพศ2563 ประเพณีนี้กําหนดขึ้นเป็นการสะกเคราะ์และขอขมาต่อพ่อแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ดิมฝั่งแม่น้นํานันทามหานาทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันหรือพระมหาสาวกสําหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กําหนดจัดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติด ก, กับแม่น้ําลําคลอง หรือแรงน้ําต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปนอกจากนี้บางประเทศก็มีเทศกาลลอยกระทงด้วยเช่นประเทศลาวมักจะลอยกระทงในวันออกพรรษาขึ้น15คห้าเดือน11ในงานไหลเหือไฟของลาวประเทศกัมพูชามีการลอยกระทงสองครั้งคือลอยกระทงของหลวงกลางเดือน11ส่วนราษฎรทากระทงเล็กและบรรจุอาหารไปด้วย กลางเดือน12จะมีกระทงของหลวงเป็นกระทงใหญ่ลาสดอนจะไม่ได้ทำและกระทงนี้จะมีอาหารบรรจุลงไปด้วยโดยมีคติว่าเพื่อส่งส่วนบุญไปให้เปรตเทศ ก, กาลนี้จะมีการเฉลิมฉลองด้วยการแข่งเรือยาวการแสดงผู้ดอกไม้ไฟจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่วันขึ้น14คำ่15คำ15บาค่ำจนถึงแรมหนึ่งคำเดือนพฤศจิกายนประเทศเมียนมา ในวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทํากระทงตกแต่งเป็นรูปค้ายดอกบัวบานปักทูปเทียนและนิยมตัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญกระสาบลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพ่อแม่คงคาครั้งหนึ่งในเทศกาลลอยกระทง หญิงสาวโสดในชุดนักศึกษาคนหนึ่งเดินเบียดเสียดผู้คนไปตามท้องถนนเพียงลำพังหาซื้อกระทงเพื่อจะนำไปลอยในคืนนั้นผิวของเธอนั้นขาวซีดราวกับหิมะทำให้เธอนั้นดูโดดเด่นมากท่ามกลางแสงจันทร์และแสงไฟหลากสีที่มากระทบผิวกระทงใบละยี่สิบจ้าใบาละยี่สิบแอนหันไปยังที่มาของเสียงกระทงราคาถูกแบบนี้ใช่ว่าจะหาึ้นได้ง่าย เธอเดินฝ่าผงชนเข้าไปหาทันทีกระทงหลายรูปแบบวางเรียงกันอยู่บนโต๊ะไม้เก่าๆตัวกระทงทำด้วยใบยตองเป็นกรีบสวยงามประดับประดาด้วยดอกไม้และมีหูปปักอยู่พร้อมกับเทียนอีกหนึ่งเล่มขณะที่แอนกำลังยืนเลือกกระทงอยู่นั้นหญิงชลาก็จ้องหน้าแอนด้วยสายตาที่แปลกจนทำให้แอนรู้สึกอึดอัดทาตัวไม่ถูกเธอจึงรีบเลือกกระทงจ่ายเงิน แล้วเดินออกมาแต่แล้วเธอก็ต้องหยุดชะ ง, งักเมื่อถูกหญิงชราคนนั้นตะโกนทักว่านี่หนูระวังด้วยนะมันทำให้แอนรู้สึกงงและไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอไม่หันหลังกลับแต่ก้าวเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะออกไปจากที่ตรงนี้ให้เร็วที่สุดสักพักใหญ่แอนก็เดินมาเกือบถึงริมน้ำปิงแล้วซึ่งบริเวณนี้คนจะเบาบางลงมากพอสมควรเธอเดินไปต่อ เพื่อที่จะไปยังริมน้ำแต่ระหว่างนั้นก็รู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่นหลังเหมือนกับว่าอากาศรอบๆตัวจู่ๆมันก็เย็นขึ้นแถมยังรู้สึกว่าเหมือนมีใครตามเธอมาเธอคิดว่าตัวเธอคงคิด เ, เองและพยายามสลักความคิดพวกนี้ทิ้งไปเมื่อถึงริมน้ำเธอก็เดินขึ้นไปบนแพรที่เทศบาลเตรียมไว้ให้ แล้วควักไฟแชกที่เตรียมมาในกระเป๋าจุดหูเทียนจากนั้นเธอก็อธิษฐานก่อนที่จะค่อยๆ ย, ย่อนกระทงใบน้อยลงไปในแม่น้ำใหญ่ด้วยความระมัดระวงังแอนยืนดูกระทงของตัวเองลอยไปพร้อมกับแสงเทียนที่สั่นไหวและลิบหลีจากลมที่พัดผ่านพร้อมคิดถึงคำอธิษฐานของตัวเองแล้วก็ยิ้มอย่างอิ่มเอมใจไม่ทันไร กระทงของเธอก็พลิกความราวกับโดนจับพริกเธอถึงกับหน้าทอดสีเพราะมันบ่งบอกได้ถึงลางร้ายที่อาจเกิดขึ้นเธอพยายามสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆช้าๆให้เต็มปอดแล้วพยายามคิดว่ามันไม่มีอะไรหรอกขณะที่เธอกำลังหันหลังกลับนั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยคล้ายกับนางนพมาศแต่ชุดนั้นดูเปื้อนสกรปรก และเก่ามากเธอคนนั้นกําลังนั่งยองๆกอดเขา่าอยู่ที่ปลายแพร่ิมน้ําแล้วโยกตัวไปมาเหมือนคนสติไม่ดีซึ่งก็ไม่รู้อะไรดนใจทําให้แอนเข้าไปทักผู้หญิงคนนั้นด้วยความเป็นห่วงเพราะกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะตกน้ําไปแล้วไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อแอนทักไปผู้หญิงคนนั้น ก็ค่อยๆหันมาสบตาแอนและพูดว่าเป็นห่วงฉันด้วยเหรอเป็นห่วงสิไปนั่งที่อื่นดถะค่ะอย่ามานั่งแถวนี้เลยแต่เธอคนนั้นกลับนิ่งเฉยไม่แสดงการรับรู้อะไรทั้งสิน้นแล้วหันกลับไปมองอย่างแม่น้ำสวยดีนะอยากไป ขณะที่แอนกำลังงงกับสิ่งที่เธอพูดแอนจึงค่อยๆละสายตาจากหญิงสาวคนนั้นแล้วหันหลังเพื่อจะเดินจากไปนั้นเหรอแอนหันกลับไปอีกครั้งเต็มสองตาแอนเห็นผู้หญิงชุดไทยที่นั่งยองๆคนนั้นเอาหัวพุ่งลงน้ำในท่าที่กำลังนั่งอยู่ น้ำศาสตร์กระเซ็นไปบริเวณโดยรอบเมื่อตั้งสติได้แอนจึงตะโกนสุดเสียงเรียกร้องให้คนมาช่วยแต่เพราว่าไม่ต่างจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือได้แต่ยืนมองอยู่ห่างๆแอนตัดสินใจทอดกระเป๋าสะพายออกแล้วกระโดดตามลงไปในน้ำในผืนน้ำนั้นมันช่างดูลีลับ ดำมืดและหนาวเย็นแอนพยายามลืมตาแล้วกวาดสายตามองหาแต่ก็ไม่พบหญิงสาวคนนั้นเลยจูจ่ๆก็มีบางอย่างเย็นเฉียบมาสมัมผัสที่ข้อเท้าของเธอแอนรีบก้มลงไปดูก็พบกับหญิงสาวในชุดไทยในสภาพที่บวมอืดชุดที่สวมใส่นั้นก็ขาดดึงริ่งไม่เป็นชิ้นดี ใบหน้าที่บวมอืดก็แสยะยิ้มยังน่ารังเกียจแอนพยายามไหวตะเกียกตะกายขึ้นมาพยายามสลัดขาออกจากมือเน่าเปื่อยที่จับขาของเธออยู่อากาศที่มีก็เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆในวินาทีนั้นแอนคิดเพียงแต่ว่าขอให้ใครก็ได้มาช่วยทีกูรอเวลานี้มานานแล้ว สิ้นเสียงร่างของแอนก็ถูกลากลงไปสู่เบื้องล่างดวงตาของเธอนั้นเบิกกว้างจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิท <c oughs> คืนวันต่อมาที่โต๊ะไม้หินอ่อนใต้หอพักแห่งหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยลอยกระทงปีนี้ไปลอยกับใครมาวะรู้หรือเปล่าเมื่อคืนมีข่าวว่าหญิงมหาลัยเราตกน้ำตายที่น้ำปิงไอคนที่มันเห็นมันก็บอกว่า ยูยูพี่หญิงคนนั้นลอยกระทงเสร็จมันก็กระโดดลงน้ำไปแม่งไม่รู้จะเกี่ยวอะไรกับอาถรรพ์กระทงที่มีคนบอกไว้หรือเปล่าอาถรรพ์อะไรหรอก็แถวนั้นน่ะมันจะมียายแ ก, แก่ชอบมาขายกระทงแล้วยังไงล่ะคนก็เล่าลือกันว่ายายแก่นะ่ะเอาวิญญาณผีเล่ร่อนมาทำพิธีใส่ไว้ในกระทงที่ขายด้วยบ้าหรือเปล่าเขาจะทาไปทาไมล่ะกแกเคยเป็นหมอผีมาก่อน แกมักจะช่วยเหลือพวกวิญญาณเ ล, ล่ร่อนให้ได้ไปผุดไปเกิดใครไม่รู้ดวงซวยไปซื้อกระทงแกแล้วได้กระทงที่มีผีติดมาด้วยแม่งซวยเฮี้ยแล้วเขาก็พูดกันอีกนะว่าถ้าเห็นใครตกน้าอย่าลงไปช่วยเดี๋ยวจะซวยกลายเป็นตายแทนหอยน่ากลัวเมวื่อวานฉันก็ไปซื้อกระทงกับยายแกเหมือนกันไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าแกดูท่าทางปแปลกๆด้วยนะ แกเป็นไ ร, ยย เ, รเปล่าวะยายแกเหรอเปาแกดูสีหน้าไม่ค่อยดีเป็นอะไรหรือเปล่าวะอะไรของแกอยู่ๆก็มาถามแกเป็นอะไรทำหน้า ย, ยังกะเห็นผีงั้นแหละแล้วดวงตาของเพื่อนสาวคนนั้นก็ค่อยๆเบิกกว้างหน้าตาบวมอืดชุดนักศึกษาแทบจะปริขาตกจากกันกระดุมหลุดกระเด็นไปทีละเม็ด ริมฟิปาเขียวคำํำบวมเป่งและมีนอนสีขาวตัวอ้อนอวนๆค่อยๆไหลออกมาจากลูกตาของเธอเช่ด้วยฮหลล์ 盘丝腰。